อยู่ปากน้ำเรอากการค่ะระบบปาการระบปากการเมืองโบราณยังอยู่เป่ะอยู่ครับยังยังมีเปิดบริการด้วยเป่เปิดครับเหมือนเดิมมีพัฒนามีมีเพิ่มอะไรเป่าไหมวะไม่เคยไปเลยครับไม่เคยไปเลยครับเคยไปในปาเรเอา่าววันทัศน์กาลามเคยไปเปล่ะเคยครับค วันอาทิตย์นี้จะมีงานจระถิ่นนะครับที่วัดป่าพิชัยที่ไหนวัดเปิดใหม่นะฮะที่ถนคองสงนะอยู่ที่สมบูรณปรากาเนี่ยที่เป็นของวัดกรรมฐานเนี่ยวัดวัดของพระอาจารย์เล็กนะอาจารย์เล็กหลวงปู่อินถวายไปเป็นประธานออยู่ตรงมังบองนะใช่ไหมไม่ถึงนะครนนคองสงน้ํารับอ๋อไปเส้นเนีกไปเที่ยวไหมครับอ๋อไม่ไปนะคถามอยากจะรู้ท่านแม่ไหมว้ยให่ ไปทางบางนาตาดนะรับางนาตาแล้วไปแยกซ้ายเข้าไปแยกซ้ายไปไปทางสุขวิสัยเก่าทางที่ไปสวรรคภูมิหรือว่าเลยไปมันอีกอีกทางหนึ่งนะครับทางวิ่งไปทางบางปูบางปูเอเส้นเก่าอทางสุขุมวิทนะครับไปยังไม่ถึงเมืองโบราณเนี่ยโอ้ยังครับจะบางนาแล้วเราวิ่งกลับอันนี้บางนาตาแล้วครับ ออกซ้ายไปทางเส้นของส่งน้ำคระมันจะเป็นเส้นที่ระบายน้ำส่วนอุปมาเส้นตักใหม่ครับที่เป็นเป็นที่ใหญ่ไหมว่าว่าเนื้อที่อยู่ประมาณ6กไร่นะครับญากาโยมถวายให้ให้กับองคุอินอัอนี้ท่านว่าทานอายุเยอะแล้วก็เลยให้พาจารย์เล็กไปสร้างะครับอือกไร่ก็ไม่ใหญ่มากใช่นะ ไม่ใหญ่นะพรจำบัดก็แค่ห้าองค์นะพระธรรมดาวัดป่าที่ต้องกว้างๆอยู่ต้องไม่เห็นไม่เห็นหน้ากันนะแต่จะดีสาหรับญาติโยมให้ญาติโยมได้ไปทำบุญ แต่ถ้าภาวนามันต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาดีกว่าถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านอยู่ใกล้ชุมชนมันก็พุกพล่านมันก็ไม่มีความวิเวกวังเวงที่สร้างพระพุทธเจ้าสร้างพระอาหารหันต์ต้องเป็นที่วิเวกวังเวง ในป่าในเขาพระพุทธเจ้านั้นก็นบรรลุในป่าตัดสรุในป่าพระอาลัยสาวกทั้งหลายก็ก็บรรลุทำในป่ากัสถานที่ต้องสบงบสงัดวิเวกจะได้ทําให้ใจวิเวกใจจะได้สงบถ้าไปอยู่สถานที่ที่มันพลุพ่าน มีเสียงอกระทึกก็คคมมีกิจกรรมสารพัดมันก็ทำให้ใจนีมันฟุ้งทำให้ใจไม่สงบใจไม่สงบ ก, ก็ไม่เห็นธรรมธรมอยู่ในใจอริยสัจสี่อยู่ในใจไม่เห็นทุก ไม่เห็นสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์ไม่เห็นนิโรธการดับของทุกข์ไม่เห็นมักวิธีที่จะทำให้ทุกข์ดับไปอยู่ในใจทั้งหมดไม่ได้อยู่ข้างนอกถ้ามีเหตุการณ์ข้างนอกเข้ามาจะเข้าในใจมันก็มาบดมาบังทำมันนี้ ทำให้มองไม่เห็นอริยสัจสี่เห็นแต่ลูกเสียงกลิ่นรสเห็นแต่าลาภยศสรรเสริญแล้วก็ไม่เห็นว่าใจทุกข์กั บ, าบลาภยศสรรเสริญไม่เห็นว่าใจทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสไม่เห็นว่า ทุกข์ของใจเกิดจากความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญที่ได้มาไม่อยากสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้มาไม่อยากสูญเสียร่างกายที่ได้มานี่คือความอยากที่ทําให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจกัน แทนที่จะมาหยุดความอยากกันเพื่อจะได้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจกันกลับมาส่งเสริมความอยากกันส่งเสริมให้รวยมากขึ้นให้เจริญในลาบยศสารเสแริญแต่ไม่เห็นเวลามันเส่อมเห็นเวลาเจริญอยากจะได้แต่เวลาเสี่ยม ไม่เห็นว่ามันทำให้เราเสียใจทุกข์ใจกันเพราะความอยากไม่สูญเสียนาบยศสรเสริญไม่อยากสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสหรือไม่อยากสูญเสียทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองสิ่งของต่างๆที่เป็นของเราที่เราคิดว่าเป็นของเราแต่มันเป็นของเราเพียงชั่วคราว พอเวลามันไม่เป็นของเราเราก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่ o ร้องไห้กันถ้าไม่ออกมาหาที่สงบสงัดวิเวกอยู่กันแล้วหันเข้ามาดูใจหันหลังให้กับลาบยศสรเสริญแล้วหันเข้ามาดูใจก็จะเห็นอริยสัจสี่ เห็นความทุกข์ของใจที่เกิดจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากในลาบยศลรเสริญพอรู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจก็หยุดความอยากหยุดด้วยปัญญาปัญญาที่เห็นว่าลาบยศสรรเสริญ เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงได้มาแล้วสักว um ันหนึ่งก็ต้องมีวันเสียไปก็เลยหยุดความอยากในลาบยศสันตเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสได้พอไม่มีความอยากใจก็สงบมีความสุขขึ้นมา นี่คือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆบรรลุด้วยการไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ถ้าคนขี้เหงาขี้กลัวก็ไปไม่ได้ถ้าไปไม่ได้ก็หลุดไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้เพราะความเหงาแสดงว่ายังติดอยู่กับ สิ่งต่างๆอยู่เวลาไม่มีสิ่งต่างๆเราจะรู้สึกเหงาว่างเวแต่ถ้าเป็นคนที่ใจเข้มแข็งใจที่มีความสงบ ก, ก็จะไม่รู้สึกว่างเวเวลาที่อยู่ตามลาพังอยู่คนเดียวก็มีความรู้สึกสุขสบายไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆ ไ่หุ่นวายไปกับบุคคล ต, ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเราก็จะทำให้เห็นธรรมทำให้บรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจส ส, สามารถดับความทุกข์พะรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์คือความอยาก มีเครื่องมือคือปัญญาที่เห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้เช่นราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสเป็นของเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็ดีใจมีความสุขแต่สักวันหนึ่งก็ต้องมีวันจากกันเวลาจากกันความสุขก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามา เห็ไหมตอนนี้คนไทยเราทุกใจกันไม่สบายใจเพราะสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเคยเห็นเคยได้ยินเคยสัมผัสตอนนี้ไม่เห็นแล้วสูญเสียบุคคลที่เราเารเาที่เรารักไป เพราะเป็นของไม่เที่ยงถ้าเรารู้ไว้ตั้งแต่ล่วงหน้ารู้ไว้ก่อนว่าต้องเสียเราก็ไม่ไปอยากให้ท่านไม่เสียรูว่าท่านต้องเสีย<ๆ>ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงไม่ไปอยากไม่ให้เสียถ้าไม่มีความอยากไม่ให้เสียมันก็ไม่ถูก ที่มันทุกข์เพอยากให้อยู่ไม่อยากให้ไป <Yeah. S 1> เพราะหลงไม่ไม่มองไม่เห็นความจริงว่าต้องไปว่าอยู่ไม่ได้ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันไม่เที่ยง <Yeah. S 1> เพราะว่าไม่ได้เป็นของใคร <Yeah. S 1> เป็นของธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟ ร่างกายของคนทุกคนนี้เป็นของธรรมชาติธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟพอดินน้ำลมไฟมารวมกันก็เลยกลายเป็นอาการสามสิบสองขึ้นมากลายเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเอือในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผดืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า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 พอไปเห็นโครงกระดูกเท่านั้นก็ตกใจกลัวทํำไมของที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาทํำไมไม่กลัวใครไม่มีโครงกระดูกมั้งนอนกับโครงกระดูกอยู่ทุกวันไม่กลัวพอไปเห็นโครงกระดูกข้างนอกกลับกลักลวกันขึ้นมาพ่อมองไม่เห็นไม่มองเห็นอาการ32ของร่างกาย มัแต่ไปมองที่รูปร่างหน้าตาไม่เห็นอาการต่างๆที่อยู่ใต้ผิวหนังเห็นแต่ส่วนที่อยู่ตามผิวหนังบนผิวหนังเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันก็หลงไปกับผมขนเล็บฟัน หนังว่าสวยว่างงามพอมองเข้าไปข้างในก็เห็นไม่สวยไม่งามก็เกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความรังเกียจขยะขยะงขึ้นมาให้ไปดูผ่าศมไม่มีใครอยากจะไปกันไปดูของตัวเองไม่ได้ไปดูของใครแล้วสพเขาก็มีของที่เรามีนั่นแหละเหมือนกันเป๊ะทุกอย่าง มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีปอดมีไตมีตับมีลำไส้ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอาหารที่กินไปเมื่อกี้นี้ก็เรียกว่าอาหารใหม่อยู่ในลำไส้ต้วนี้อาหารเก่าก็คืออาหารที่กำลังจะออกมาจากลำไส้อาหาใหม่อาหารเก่า นี่คือธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟทําให้ร่างกายทําให้มีอาการสามสิบสองขึ้นมาดินมันเข้ามาทางไหนก็ข้าวมันเป็นดินหป่าข้าวที่เรากินมันมาจากไหนผักที่เรากินมันมาจากไหนมันก็ต้องมีน้ามีดินมีไฟมี ลมมันถึงจะโตขึ้นมาเป็นต้นข้าวเป็นต้นผักได้เรากินเข้าไปมันก็มาเป็นผมขนเล่หฟันธรรมชาติมันเล่นกลนให้เราดูไว้นะใครจะเป็นมายากลเก่งยิ่งกว่าธรรมชาติแปลงเอาข้าวเอาผักเอาเนื้อเอาผลไม้เอาน้ำ เอาลมหายใจเข้ามาแปลงให้เป็นผมขนเล็ดฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกด้านเดียวมันก็แปลงให้กลับกายเป็นดินน้ำลมไฟไปเวลาร่างกายหยุดหายใจอาการ32มันก็จะค่อยแปลงไปเปลี่ยนไปกลายเป็นน้ำไปน้ำที่อยู่ในร่างกายก็ไหลออกมา ไฟที่อยู่ในร่างกายก็หายไปไฟดับธาตุดับธาตุไฟดั บ, ดด บ, ดดบร่างกายเย็นเฉียบร่างกายคนตายคนเป็นนี่ไม่เหมือนกั น, นถ้าไปจับดูร่างกายคนตายนี่ไม่มีธาตุไฟเป็นเหมือนผักผลไม้เย็นไม่มีความอบอุ่น ลมก็ไม่เข้ามีแต่ออกเราเหยออกมาเป็นกลิ่นให้เราดมกันเป็นกลิ่นเน่าของของอาการ32แล้วทิ้งไปเรื่อยๆมันก็แห้งกรอบกลายเป็นดินไปธรรมชาติเล่นกลนให้เราดูอยากจะดูมายากลมาดูที่ร่างกายนี่แหละ ธรรมชาติเอาน้ำมาสองหยดมารวมกันเอาของพ่อมาหยดเอาของแม่มาหยดมารวมกันแล้วก็ให้มันจริญโตเติบโตขึ้นมาขยายขยายตัวแล้วก็เอาดินน้ำลมไฟที่แม่กินเข้าไปในร่างกายเอาไปหล่อเลี้ยงน้ำสองหยดนี่ ให้เติบโตขึ้นมาให้เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกพอมีอาการครบสามสิบสองก็ให้ออกมาจากท้องนะแล้วก็มาเติมดินน้ำลมไฟข้างหน้าออต่อออกมาจากท้องก็หายใจดูดลมหายใจเข้าไปเอาธาตุลมเข้าไปแล้วก็เอาธาตุน้ำธาตุดิน คือนมของแม่ก็มีทั้งธาตุน้ำมีทั้งธาตุดินปนอยู่แล้วพอดินน้ำลมไปผสมกันก็เกิดธาตุไฟขึ้นมาทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วมันก็ค่อยๆเจริญเติบโตไปเรื่อยกินก็ไปเรื่อยๆกินนมกินน้ำต่อมาก็กินกล้วยกินของของ คองแข็งขึ้นกินธาตุดินมากขึ้นมากขึ้นไปผมขนเล็ดฟันก็ใหญ่ขึ้นโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วใจที่มาครอบครองร่างกายก็ไปหลงคิดว่าเป็นเป็นตัวเป็นตัวเราของเราใจคือตัวคิดตัวรู้เฉยๆกลับไปคิดว่าตัวเองเป็นธาตุสี่ไป ใจนี้เป็นธาบรู้แต่ความหลงไปหลอกให้คิดว่าเป็นธาตุสี่เป็นดินน้ํำลมไฟเป็นร่างกายแล้วก็ไปรักไปหลงร่างกายอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตาย พร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ทุกข์ใจเสียใจร้องห่มล้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อร่างกายอันนี้ตายไปยังอยากจะมีร่างกายยังอยากใช้ร่างกายพาไปไหนมาไหนก็ไปหาร่างกายที่อยู่ในท้องแม่ร่างกายใหม่ ได้แม่คนใหม่ได้พ่อคนใหม่นี่คือเรื่องของร่างกายเรื่องของใจเรื่องของทุกความทุกทุกพ่อไปอยากในสิ่งที่มันไม่เที่ยงอยากให้มันเที่ยงอยากให้ร่างกายที่เราได้มานี้อยากให้มันอยู่ไปเรื่อย ไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่สบายใจเวลาเจอก็ยิ่งไม่สบายใจอะไรแต่ก็ไม่รู้ว่าความไม่สบายใจความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของตนเอง mm hmm. เกิดจากความอยากของตัวรู้ตัวคิดที่ไปคิดว่าเป็น คิดไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราวิธีที่จะหายทุกก็ต้องเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราต้องเห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกเราก็จะไม่มีวันรู้เกิดมากี่ครั้งได้ร่างกายมากี่ครั้งก็คิดว่าเป็นตัวเราของเรา แล้วก็อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเกิดมากี่ครั้งก็ต้องมาทุกกับร่างกายทุกครั้งไปทุกกับความแก่ความเจ็บความตายทุกกับการพัดพัดพาดจากลามยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิ่นรพัดพากจากบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆ ได้มาเจอพระพุทธเจ้าได้มาเจอคาสอนพระพุทธของพระพุทธเจ้าก็จะได้ความรู้ให้มาแก้ความทุกข์ใจให้มาหันหนังใหกับลาบยศสารเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสให้ไปหาที่สงบสงัดวิเวกไปอยู่คนเดียวไปทำใจให้สงบ ตใจสงบแล้วก็จะเห็นอริยสัจสีเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมากเวลาเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจก็จะเห็นว่าเกิดจากความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากในลาบยศสรรเสริญอยากไม่ให้สูญเสียสิ่งที่มีไปอยากให้มีไปเรื่อยๆอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่ของทุกอย่างที่ได้มา ของที่อย่างที่มีอยู่มันไม่ได้เป็นของที่จะอยู่ไปตลอดมันมีมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีไปมันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของธรรมชาติมันจะต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟถ้าเรามีความรู้ที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนลาวเวลาเราเกิดความอยากให้มัน เที่ยงเราก็จะได้บอกว่าอยากไม่ได้เที่ยงมันไม่เที่ยงของมันไม่เที่ยงจะไปให้มันเที่ยงได้อย่างไรของมันไม่ใช่ของเราจะให้มันเป็นของเราได้อย่างไรเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นของธรรมชาติก็จะมาเอาคืนไปร่างกายของภรรยาร่างกายของสามีร่างกายของพ่อของแม่ของลูกของหลานของพี่ของน้อง ของญาสนิทมิตรสหายของบุคคลที่เรารักเราเคารพธรรมชาติเขาจะต้องมาเอาคืนไปเพราะเจ้าของที่แท้จริงก็คือธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟเนี่ยเป็นธรรมชาติดินน้ำลมไฟนี่เป็นผู้สร้างโลกและเป็นผู้ทาลายโลกเวลาดินน้ำลมไฟมารวมกันก็เกิดเป็นโลกขึ้นมา เวลาดินน้ำลมไฟแยกทางกันโลกก็โลกก็พังไปแตกไปก็มีทานี้ธรรมชาติมีทั้งสร้างมีทั้งทำลายร่างกายนี้ก็ธรรมชาติก็สร้างขึ้นมาเวลาธาตุสีมารวมกันก็ได้ร่างกายเดี๋ยวเวลาธาตุสีแยกทางกันก็ ร่างกายก็อันตรธานหายไปนี่คือปัญญาที่พทธเจ้าทรงคนพบความรู้ที่ทรงคนพบเรียกว่าปัญญาความรู้ความจริงของธรรมชาติรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นธรรมชาติรู้ว่าเป็นของธรรมชาติใจที่มาครอบครองนี้ครอบครองได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เดี๋ยวต้องคืนธรรมชาติไปถ้าใจฉลาดใจก็ปล่อยวางถึงเวลาคืนก็คืนเข้าไปไม่ยึดไม่ติดไม่อยากให้ไม่อยากให้ไปไม่ได้ต้องปล่อยให้ไปพอไม่ยึดไม่ติดพอปล่อยให้ไปได้ก็ไม่ทุกข์ใจไม่เสียใจถ้าเสียใจก็แสดงว่ายังยึดยังติดยังปล่อยไม่ได้ ที่ปล่อยไม่ได้เพราะความอยากมีกำลังมากกว่าความจริงมีกำลังมากกว่าปัญญาปัญญายังมีกำลังไม่มากพอไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้เพราะมองยังคิดว่าเป็นของเราอยู่นั่นเองแต่ถ้าคิดว่าไม่ได้เป็นของเราแล้วมันก็ไป มันก็ปล่อยได้ถ้าคิดว่ามันต้องไปก็ปล่อยได้วิธีที่จะทำให้เกิดปัญญาก็คือต้องหยุดความคิดไปในทางที่ไม่เป็นปัญญาเราดึงความคิดมาให้คิดแต่ในทางปัญญาตอนนี้ชอบไปคิดว่าเที่ยงชอบไปคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันก็เลยปล่อยไม่ได้ เราต้องมาหยุดความคิดมาทำใจให้สงบ <c oughs> เวลาทำใจให้สงบความคิดหยุดไปความยึดติดมันก็หยุดไปความอยากมันก็หยุดไปใจก็เป็นกลางใจก็ไม่ยึดไม่ติดไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงพอได้ใจที่เป็นกลางแล้วทีนี้ก็สอนใจให้ปล่อยได้ เวลายึดก็บอกว่าอย่ายึดยึดแล้วทุกข์อย่าอยากอยากแล้วทุกข์ต้องปล่อยอะไรจะมาก็ปล่อยเข้ามาอะไรจะไปก็ปล่อยเขาไปเราไปห้ามเขาไม่ได้อาจจะห้ามได้บางเวลาอาจจะสั่งได้บางเวลาแต่มันต้องมีเวลาที่ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้เช่นตอนนี้ร่างกายเรายังพอสั่งมันได้ สั่งให้มันเดินสั่งให้มันทำอะไรได้แต่เดี๋ยวเวลามันป่วยขึ้นมาก็สั่งมันไม่ได้มันไปไม่ไหวฉะนั้นเราต้องรู้จักปล่อยธรรมชาติเวลาธรรมชาติเขาไม่ยอมฟังเราแล้วเราก็ต้องปล่อยเขาจะไปตามทางของเขาก็ต้องปล่อยเขาไปถ้าไปอยากให้เขามาทางของเราก็จะทุกข์ใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ <c oughs> เวลาใครก็จะไปให้เขาไปแล้วจะนอนหลับสบายถ้าเขาไปแล้วเราไม่อยากให้เขาไปนี่จะกินไม่ได้นอนไม่หลับกันหรือไปแล้วก็จะเนาะจะเศร้าโศกเสียใจกันเพราะยังอยากจะให้เขากลับมาไม่อยากให้เขาไปอันนี้เราต้องมาปฏิบัต ถึงจะทำใจได้เพียงแต่ฟังเพียงแต่รู้ว่าของร่างกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเรานี่มันยังรูม้มันยังไม่มีกําลังพอที่จะปล่อยวิธีที่จะปล่อยต้องหยุดความคิดเพราะตอนนี้ความคิดก็ยังคิดว่าเป็นของเราอยู่เป็นตัวเราอยู่เพียงแต่ได้ยินได้ฟังว่าไม่ไม่ใช่ตัวเราของเรา แต่ก็ยังไม่เชื่อต้องมาหยุดมันให้ได้หยุดความคิดว่าเป็นตัวเราของเราให้ได้แล้วเวลาหยุดความคิดได้เราจะเห็นว่ามีความสุขเวลาไม่คิดว่าเป็นอะไรเป็นของเรานี่สบายอกสบายใจเวลาไปคิดว่าเป็นของเราเนี้ยมันไม่สบายใจจะห่วงจะหวงจะวิตกจะกังวลกับ ของที่เราคิดว่าเป็นของเราพ่อแม่ก็ห่วงลูกเพียงแต่คิดถึงลูกเขาห่วงขึ้นมาแนละ้วเพราะยังคิดว่าเป็นของเราอยู่แต่ถ้าหยุดคิดได้ไม่ไปคิดถึงเขาว่าเขาเป็นของเราใจก็จะไม่ห่วงใจก็จะไม่ห่วงใจก็จะเย็นสบายรู้ว่าเขาเพียงแต่มาอาศัยเราอยู่ เราก็เลี้ยงดูเขาไปด้วยความเมตตาแต่สักวันหนึ่งเขาก็ต้องไปจากเราพอเขาโตขึ้นเขาไม่ต้องพึ่งเราแล้วเขาก็ไม่อยู่กับเราแล้วอยู่ทำไมอยู่กับเราก็ต้องคอยฟังคำสั่งของเราเขาไปอยู่ของเขาดีกว่าเขาจะได้ทำอะไรตามความอยากของเขาได้อย่างเขาก็ต้องไปจากเราแล้ว เราต้องมาเปลี่ยนความคิดใหม่คิดว่าไม่ได้ไม่ใช่เป็นของเราลูกก็ไม่ใช่ของเราสามีก็ไม่ใช่ของเราภรรยาก็ไม่ใช่ของเราพ่อแม่ก็ไม่ใช่ของเราคนทุกคนที่เรารู้จักก็ไม่ใช่เป็นของเราเขาเป็นของธรรมชาติธรรมชาติสร้างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องคืนธรรมชาติไป กลับไปสู่ดินน้ำลมไฟกันมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็กลับขึ้นสู่ดินน้ำลมไฟถ้าคิดอย่างนี้ได้อยู่เรื่อยๆก็จะปล่อยได้จะวางได้เวลาที่มันปล่อยไม่ได้เพราะมันไม่ได้คิดว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟแต่คิดว่าเป็นพัตยาเป็นสามีเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้อง มันเป็นสมบัติของเราเป็นของของเราพอคิดอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยไม่ได้ถึงต้องมาหัดคิดใหม่ก่อนจะคิดใหม่ได้ก็ต้องหยุดความคิดเก่าก่อนเลคิดแบบเก่าๆแล้วมาคิดแบบใหม่ๆถึงต้องมานั่งสมาธิกันเพื่อมาหยุดความคิดเก่า ลรามาเจริญปัญญาเพื่อแต่งความคิดใหม่ถ้าเป็นกาแฟาถ้วยเก่าก็ต้องเทกาแฟาเก่าทิ้งไปก่อนถ้วยมันจะได้มีที่รองรับกาแฟาใหม่เช่นกาแฟาเก่ามันเย็นแล้วกินไม่อร่อยแล้วจะเอากาแฟร้อนๆใหม่ๆมาใส่มันก็ใส่ไม่ได้ถ้ากาแฟาเก่ามันยังมีอยู่ในถ้วยต้องเทกาแฟาถว้วยเก่าทิ้งไป เอาไปร้างได้ยิ่งดีร้างให้มันหมดกินหมดรสแล้วทีนี้ก็เอากาแฟใหม่ใส่เข้าไปกาแฟใหม่ร้อนๆ น, น่ารับประทานเนี่ยคือปันคือการเติมปัญญาการจะเติมปัญญาได้ต้องลบความคิดเก่าออกไปก่อนลบความหลงที่ไม่ความคิดผิดออกไปเพื่อจะได้เอาความคิดถูกใส่เข้าไป ความคิดที่ว่าเป็นของเราคิดว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนจะเป็นของเราอยู่กับเราไปเรื่อยๆนี่ต้องลบทิ้งไปต้องคิดเสมอว่ามันไม่ได้เป็นของเราไม่ใช่ของเราเปี่ยนเปลี่ยนความคิดใหม่ก่อนจะเปลี่ยนความคิดใหม่ได้ก็ <S 2> <S 2> ต้องหยุดความคิดเก่าลบความคิดเก่าออกไปทำใจให้ว่างจากความคิดเก่า เวลานั่งสมาธิใจสงบนี้ความคิดเก่าๆจะหายไปหมดใจนี้จะเป็นเหมือนอแบบเครื่องคอมสมัยนี้เครื่องโทอสั์ถ้าข้อมูลมันเยอะมันโนเลก็ลบมันทิ้งไปหมดนะสตาร์ทเครื่องใหม่เอาโปรแกรมทุกอย่างออกไปให้หมดแล้วค่อยเอาลงโปรแกรมใหม่ใจเราก็ตอนนี้มีโปรแกรมเก่า โปรแกรมที่มีแต่ปัญหาสร้างแต่ความทุกข์ให้กับเราคิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงคิดไปในทางหลงคิดไปเห็นสิ่งที่เป็นดินน้ำนมฝ่ายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเราเป็นตัวเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยา อันนี้ต้องลบพวกนี้ออกไปให้หมดไปนั่งสมาธิทาใจให้สงบทำใจให้ว่างแล้วก็พอว่างแล้วก็เอาความรู้ใหม่เข้ามาใส่ใจลงโปรแกรมใหม่ลงโปรแก ร, ม, ม, ร, แกรมของพระพุทธเจ้าลงอริยสัจ ส, สีเข้าไปแล้วก็จะทำให้ใจสงบใจ ไม่ทุกไม่วุ่นวายไปกับเรื่องของดินน้ำน้ำไฟเรื่องของธรรมชาติสเปสธรรมาอนัตตาไม่มีอะไรเป็นของเรามีมิเป็นแต่เป็นของธรรมชาติทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในโลกนี้ของทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายเป็นต้นไม้เป็นอะไรก็เป็นของธรรมชาติทั้งนั้น ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยมีสิ่งที่เป็นอ้าว่ามีของเราก็มีตัวรู้ที่นี่ที่เป็นของเราอยู่กับเร า, าตลอดแต่ตัวรู้มันไม่รู้จริงมันมันมันรู้ผิดมันหลงมันไปเห็นว่าทุกอย่างเป็นเราเป็นของเราขึ้นมามันก็เลยสร้างความทุกข์ให้กับตัวเอง ไม่มีใครมาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราใจของเราไปสร้างความทุกข์ด้วยความเห็นผิดเป็นชอบเห็นธรรมชาติว่าเป็นตัวเราของเราเห็นดินน้ำลมไฟว่าเป็นเราเป็นของเราเราต้องมาเห็นใหม่มองใหม่มองในมุมกลับต้องเห็นว่าไม่ได้เป็นของเราถ้าไม่เห็นว่าเป็นของเราก็จะไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเรา ใช่ไสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเราไม่อยากให้เขาอยู่กับเราอเ่าคนที่เราไม่รู้จักจะไม่อยากให้เขาอยู่กับเราหรือเป่าไม่อยากให้เขามายุ่งกับเราใช่หรซ้ําไปฉอนั้นต้องมองว่าของทุกอย่างไม่ใช่ของเราเวลาเขาไปเราก็จะได้ไม่เสียใจเวลาเขาอยู่เราก็ไม่ห่วงไม่กังวลออ เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดตอนนี้เราอยู่อย่างมีความทุกข์ไปตลอดทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์กับสิ่งนั้นทุกข์กับสิ่งนี้เพราะอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะคิดว่าทำให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เพราะทำไม่ได้ก็ทุกข์กัน จะเห็นทุกข์ให้ว่าเกิดจากความอยากนี่ก็ต้องหนึ่งใจเข้าข้างในอันนี้ใจออกไปข้างนอกเวลาทุกข์แทนที่จะเห็นว่ามันเกิดจากความอยากของเราก็ไปเห็นว่าเขาไม่ทําตามที่เราสั่งเราก็เลยทุกข์ไปโทษคนอื่นด้วยแทนที่จะโทษความอยากก็ไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีซื้อมาล่าก็เสีย ซื้อลดมาแล้วเสียก็ไปโทษบริษรัทขายรถว่ารถผลิตมาไม่ดี mm hmm. เห่งซวย mm hmm. ก็ไม่รู้ตั้งแต่ต้นแต่ว่ามันของไม่ดีไปซื้อมาเองถูกเ้าหลอกให้ไปซื้อ mm hmm. ถ้าจะซื้อก็ต้องทำใจแล้วว่ามันต้องพังมันต้องเสียเวลามันเสียจะได้ไม่ต้องไปไปโกรธเขาไปโทษเขา ตอนนี้เราไปแก้ความทุกข์ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้กันไม่ได้มาแก้ที่ความอยากกันมันก็เลยแก้ไม่จบต้นเสียก็เปลี่ยนใหม่ออมบริษัทเขาก็ใจดีเขาก็เปลี่ยนร่อนใหม่มาให้เดี๋ยวก็เสียอีกมีอะไรมันไม่เสียบ้างได้อะไรมาเดี๋ยวมันก็ต้องเสียไปทุกอย่างเวลาเสียก็เสียใจ ความเสียใจก็เกิดจากความอยากของเราอยากให้ไม่เสียพอเสียก็เสียใจถ้ามีคนโทษได้ก็โทษเขา ท, ทันทีเนี่ยเพราะคุณทำให้มันเสียก็ไปโทษเขาสิทำให้ฉันไม่สบายใจความจริงมันอยู่ที่เราเราไปอยากให้มันไม่เสียพอมันเสียเราก็ไม่สบายใจขึ้นมา ถ้าเรารู้ว่ามันต้องเสียแล้วเราไม่ไปอยากให้มันไม่เสียเวลามันเสียเราก็ไม่เราก็เฉยเฉยเสียก็เสี ย, ย่ะไปโทษใครของมันต้องเสียอยู่ทั้งนั้นยังก็ขายของใหม่ไม่ได้เลยถ้าขายของชิ้นหนึ่ง้วใช้ไปได้ตลอดไม่มีวันเสียมันของใหม่ก็ออกมาไม่ได้ที่มีของออกใหม่มากก็เพราะของเก่ามันเสีย ก็จะได้มีของใหม่มาแทนที่ของใหม่ขนาดนั้นเดี๋ยวมันก็กลายเป็นของเก่าขึ้นม่เดี๋ยวมันก็เสียอีกถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเราต้องเข้าไปที่ข้างในลึงใจเข้าข้างในลึงใจออกจากรูปเสียงกลิ่ น, นสรสลาบยศสรรเสริญลึงใจเข้าไปในสมาธิเข้าไปในความสงบ พอใจเข้าถึงความสงบแล้วก็จะเห็นเวลาใจทุกข์ว่าเกิดจากความอยากของใจแล้วการดับก็ก็ใช้ปัญญาที่มีอยู่ในใจนะดับดับดับด้วยการเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของธรรมชาติเราไปสั่งมันไม่ได้มันจะเที่ยงมันจะอยู่หรือไม่อยู่มันจะดีหรือไม่ดี มันจะขึ้นหรือจะลงนี่เราไปสั ward, SQL, ่ง sí ม yes, <ược> ันไม่ได้ถึงเวลามันจะขึ้นมันก็ขึ้นถึงเวลามันจะลงมันก็ลงแต่น้ำทะเลยังมีขึ้นมีลงไงทำไมเราไม่ไปสั่งให้มันไม่ขึ้นไม่ลงเน่เพราะเราเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติใช่ไหมพราะเราเห็นอะไรเป็นธรรมชาติเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาแต่พออะไรที่เราเห็นว่าไม่เป็นธรรมชาติเราก็เลยไปยุ่งกับเขา ทั้งงที่ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติหมดแต่เราไปแยกว่ามันไม่เป็นธรรมชาติเช่นร่างกายของเรานี่เราไม่เราไม่ไปดูเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเห็นว่าเป็นของเราเป็นของเราที่เราต้องสั่งได้สั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงี้ได้อยากจะเปลี่ยนทรงผมก็เปลี่ยนได้อยากจะเปลี่ยนสีผมก็เปลี่ยนได้แต่มันก็เปลี่ยนได้ในในระดับหนึ่ง เดี๋ยวถึงเวลามันก็เปลี่ยนไม่ได้เอ็มพยายามพยายามศึกษาคำสอนของ พ, พระพุทธเจ้าหนะาวิธีดึงใจให้ออกจากสิ่งต่างๆให้ใจเข้าข้างในให้ได้ถ้าใจเข้าข้างในได้แล้วใจก็จะเห็นธรรมเห็นอริยสัจสีแล้วใจก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆได้ด้วยปัญญา ของพระที่พระพุเจ้ามอบมาให้คือให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติทุกอย่างไม่เที่ยงถ้าไปอยากให้เที่ยงอยากให้เป็นของเราก็จะทุกข์ถ้าไม่มีความอยากให้เที่ยงไม่มีความอยากให้เป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับธรรมชาตินทุกวันนี้เราวุ่นวายกับธรรมชาติเอง ธรรมชาติก็ไม่ได้มาวุ่นวายกับเราเรามาหาเรามามามาเอาร่างกายนี้เองกันเองไม่มีธรรมชาติไม่ได้มอบให้กับเราเราไปครอบครองธรรมชาติโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมชาติคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็เลยอยากจะควบคุมให้มันเป็นไปตามความอยากความต้องการของเราแต่มันก็ไม่สามารถทำได้ ก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาถ้ารู้ว่าเป็นธรรมชาติก็จะไม่มีความอยากที่จะไปให้เขาเป็นของเราให้เขาทาตามความอยากของเราถ้าเราปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติไม่ไปยุ่งกับเขาเขาจะแก่ก็ปล่อยเขาแก่ไปเขาจะเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปเขาจะตายก็ปล่อยเขาตายไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะอยู่อย่างมีความสุข แล้วเราก็จะเข็ด จ, จะไม่อยากมายุ่งกับธรรมชาติอีกต่อไปเราไม่ต้องมีธรรมชาติเราก็อยู่ได้เราไม่มีดินน้ําลมไฟเราก็อยู่ได้ที่เราอยู่ไม่ได้เพราะเราหลงถูกความหลงหลอกให้เราคิดว่าเราต้องมีดินน้ําลมไฟมีร่างกายมีรูปเสียงกลิ่นร้อยมีลาบยศสารเสริมีอะไรต่างๆให้ความสุขกับเรา แต่แทนที่มันจะให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวมันแถมความทุกข์มาให้กับเราด้วยทุกครั้งไปเพราะเวลามันจากเราไปเวลามันไม่ได้เป็นของเราความสุขที่ได้ก็จะหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ก็ขอให้เอาไปปฏิบัติกันดึงใจออกจากธรรมชาติเอาใจเรากลับสู่ตัวรู้เข้าสู่ตัวรู้ เข้าหาตัวรู้เข้าหาความสงบใช้สติดึงกันดึงใจออกจากรูปเสียงกลิ่นรสใจจะคิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสคิดไปหาลาบยศ ส, สรรเสิญคิดไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้อนนั้นสิ่งคนนี้ก็ดึงมันกลับเข้ามาดึงให้มันเข้าข้างในใช้พุทโธดึงเข้ามาพุทโธพุทโธไปพอใจสงบใจรวมเป็นหนึ่งก็สบายมีความสุข ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับใจใจมีความสุขจากการที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆแล้วก็รักษาความสุขนี้ไว้เวลาเกิดความอยากจะไปยุ่งก็ดึงกลับมาทำลายความอยากตัดความอยากด้วยปัญญาว่ากำลังไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขนี่คือการศึกษาการปฏิบัติ ที่เราต้องทำกันตอนที้เราศึกษากันเราได้ยินได้ฟังได้ว่าศึกษาแล้วขั้นต่อไปก็เอาไปปฏิบัติพยายามถอนตัวเองเออกจากราบยศสรรเสริญออกจากรูปเสียงกลิดนด่นนสไปอยู่ที่สงบสงัดแล้วก็ดึงใจให้เข้าข้างในเพื่อจะได้เห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ก็คิดว่าพอสมควรกัเวลาจะอนุโมทนาให้พอ่อนเคยคิดจะไปวิเวกมัม้ยน่ะเคยามาอยู่แค่สองคืนน่ะเคยมาอยู่สองคืนนะว่าจาับที่ว่าจาับอ๋ออ่าทำคนเดียวน ะ, ะ, ะ, ะวิเวกต้องคนเดียว มาดึงใจออกจากเรื่องต่างๆดึงใจออกจากธรรมชาติมาอยู่ตามลําพังใจก็อยู่อย่างมีความสุขได้การเลิกเจ<อ>ียนแล้วนะครับขออนุญาตนะครับเอาเลยว่าเมื่อไหร่ก็มาแล้วแต่จังหวะนะช่วงบางช่วงคนก็เยอะบางก็บางช่วงก็ไม่เยอะบางทีก็เต็มบางทีก็ไม่เต็มเราไม่รับจองเกี่ยนยุ่ง เอาตามมีตามเกิดตอนนี้ไม่ต้องทำงานนะว่างนะไม่ต้องทำงานเลยมาขอพรครับอ๋อมันเกิดนะมันมนพึ่งยากบรมยอ๋อยาแล้วเหรอโแล้วเป็นไงเขารับได้หรือเปล่าอ ะ, อะก็กูก็เขามีามนะขอ้อดะอาหลวงพ่ เรเสียใจว่ะก่อนหน้าก็เสียใจครับแต่ว่าความคิดหนึ่งคือถ้ามูดัดนึกถึงเรื่องเขาเราก็เสียใจมันแต่พอมันมาย้อนเนี่ยว่าผมเสียใจเพราะผมผมไปกําหนดเองอใช่เราไปกําหนดว่าให้มันเที่ยงเลยมันไม่เที่ยงมันจบแล้วตัดออกไปหนึ่งเส้นอีนี้เหลือพ่อกับลูกอพวบหมก็ได้บวช้วครับลูกก็อยู่กับเราเลยอะครับอ ลูกกี่คนสองคนมคนไม่ไม่กลุ่มอะไรหน่ออ่พอเลี้ยงไหวเรื้ยงฝากไว้กับแม่คือคอยากจะลงเขาก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันคือแต่แค่ให้อิสระในเมื่อคุณชอบอะเขก็ไปไปอยู่อยู่ลูกหรือใครก็ให้เลี้ยงดูลูกไปไม่ยังมีต้องเจอกันอ่าดีก็ดีเดี๋วชื่ว่าอ่ไใจวดอะไรอยูนดอ่าได้ด พยายามศึกษาไปแล้หัสฝึกสติบ่อยๆคอยคุมใจว่าอย่าให้คิดพุดโทโธพุโทโธไปเราจะมีเราจะต้องพัฒนาความคิดมันนะอาจารย์คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงกองทุกอย่างที่เรามีมันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นก่อนนี้นมันทจไม่ได้แตพอมัอนมีความคิดบางที่แบบหรว่ามันโทษผมทุกเพราะผมผมคิดตัวเองแต่แรกผมเป็นนใช่เราไปอยากอยากให้มันเป็นอย่างนี้ มันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วค่องความห้ามนี้อืมเลยรู้สึกาผมไม่ได้ทุกเขาแต่ผมทูกผมกำหนดเองของเขาใช่ก็ความอยากของเราเนี่ยที่เรากำหนดก็คือความอยากของเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นของเราตลอดเป็นของคนอื่นไม่ได้แต่เราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้แล้วเขาอยากจะไปเป็นของคนอื่นเขาก็ไปอเอาก็ไปแล้วก็ทุกที่ที่เรากำหนดางนี้มันใช้ได้กับทุกเรื่อง ทุกเรื่องอะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดตอนนี้มันยังอาจจะไม่เกิดคิดว่าจะต้องตายจากกันแต่ตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักวันมันก็ต้องตายจากกันใช่ครับผมก็คิดว่ารบบว่าต่อให้รักกันมันก็้อตายกันทุกทีนั่นแหละทุกอย่างต้องจบ่ความไม่เที่ยงก็คือความตายนี่แการพัดพากจากกันก็เรียกว่าไม่เที่ยงครับก็ก็ไม่แบ่ งานเลียงเง้ยงย่อมีวันสิ้นสุดนี้แหละถ้าใจไม่แกว่งใจเป็นปกติก็ถือว่ามีปัญญาอุตส่านั้นก็พิดคิเกินเกินี้ไมนี่แหไม่สายเกินไปมาเจอธรรมะก่อน ไ, ไ, ได้ยาได้ยาได้ยาไว้ก่อนพอเกิดเหตุการณ์ก็กินได้เลยคนถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยโอบางทีเดี๋ยวยิงกันตายเออกมาแบ นี่นก็ฟังเทศฟังธรรมไปมีเวลาก็มาปิกวิเวกมาทำใจให้สงบก็นด้คือกำลังใจที่แท้ตัวความสงบเนี่ยจะทำให้เราใจเรามีพลังปวยความนี่ผมเนี่เข้าออขอให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ฝานน <c oughs> ะมาสายตั้งเชา้าสายทั้งเย็นนะ <c oughs> <า>มมไม่มีเวลาไหนะไม่สายเลย <c oughs> ภาพมัทันไหมคะอย่าควาจริงภาพมันก็ไม่สําคัญมันสําคัญที่เสียงอะใช่ครับใช่ไหมฟังธรรมะมันก็ที่เสียงมีภาพบางทีมันทําให้เสียสมาธิไปเปล่าๆ เ, เดี๋ยวมันไปดูภาพแทนที่จะฟังเสียงให้ใครมาฟังวันนี้ใครมา <c oughs> ให้คนนี้เป็นใครไปฟังธรรมไม่รู้เรื่ององีก ฟังผ่านเรดิโอออนไลน์ดีสุดแล้วไปจากไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังวันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่แล้วบตอนนี้สาม้อยสามสิบค่ะยี่สิบกว่ายี่สิบแล้วมีคำถามเข้ามาอย่างไรมีมาแล้วค่ะอ่ายเข้ามาเลยคำถามจากคุณกรเวลานั่งสมากิกรมฐานแล้วสังขารทำงานคิดนึกปรุงแต่ง เราต้องทําใจเป็นคนดูจนมันดับหรือไม่ครับแล้วถึงกลับมาสมาถะต่อหรือว่าแค่รู้ว่าใจมันไหลไปแล้วกลับมาเลยครับ อ, อ๋อมันต้องหยุดมันอ่ะเราจะดูเฉยๆให้มันไม่หยุดของมันเองหรอเราต้องมีอะไรต้องมีเบรกหยุดมันเราต้องมีพุโทโธหรืรอมีลมหายใจเข้าออกมันถึงจะหยุดได้เราต้องบริกรรมพุโทโธพุโทโธไป หรือเราดูลมหายใจไปอย่าไปสนใจกับความคิดอย่าปล่อยให้มันไปคิดมันถึงจะหยุดคิดได้ถ้านั่งดูความคิดมันก็คิดของมันไปเรื่อยๆนั่งสมาธิแบบไม่มีกรรมฐานมันไม่มีวันสงบกรรมฐานก็คืออารมณ์ควบคุมใจเช่นคําบริกรรมพุทธโธนี่ก็เป็นอารมณ์ควบคุมใจหรือการดูลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกท่านก็เรียกว่าพุทธานุสติ มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกบริกรรมพุทธโธก็เรียกว่าพุทธานุสติมีพระพุทธโธเป็นที่ตั้งของสติดันั้นต้องต้องสร้างสติขึ้นมาเพื่อหยุดความคิดเวลานั่งก็ต้องพุทธโธพุทธโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวความคิดมันก็จะหยุดได้หยุดแล้วมันก็จะสงบมีความสุข คำถามจากคุณพรชัยเวลาเราไปทำบุญที่วัดเราได้ทำการปล่อยปลาช่อนปลาดุกไปแล้วเขาบอกว่าถ้าปล่อยปลาอะไรไปแล้วถ้า er anything, มารับประทานปลาชนิดนั้นถ้าเรากลับมารับประทานปลาชนิดนั้นเราจะบาปไหมครับถ้าเราไม่ฆ่าเองไม่บาปเนื่องถ้าเราไม่ฆ่าเองเรื่องไปสั่งให้เขาฆ่าไม่บาปเช่นไปซื้อปลาตายมาแล้วมามาทำกินนี Abi ้ไม่บาป คำถามจากคุณบุญเวลาเราทำงานบุญต่างๆที่มีโรงทานเขาแจกอาหารก่อนพระฉันเราหิวแล้วกินก่อนจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกถ้าเป็นของที่เขาจัดไว้ให้เรากินไม่ได้จัดให้เขาพระกินแต่โดยธรรมเนียมเรามักจะรอให้พระฉันเสร็จก่อนแล้วเราค่อยกินกันสมัยนี้ความผิวมันใหญ่โตกว่า ทำทำธรรมเนียมเราไปทําบุญเราก็ถวายอาหารให้พระเราให้พระกินเสร็จแล้วเราก็เอาอาหารที่เหลือจากพระมารวมกับอาหารที่เราจะจัดทําไว้กินของเราแต่เด น, นี้ก็บางทีเพื่อประหยัดเวลาเขาก็พอพระฉันก็เอาเลยต่างของใครของมันแยกกันไว้แล้วจะได้ไม่เสียเวลาบางทีพระจะได้ไม่ต้องรอไม่งั้นพระฉันเสร็จแล้วโยอมกินโยอมกินเสร็จแล้วถึงค่อยมาคุยธรรมะกับพระมันเสียเวลา ท่านก็เลยอ่ะเวลาพระฉันโยมก็กินไปเลยว่าอาหารก็ของใครของมันแยกกันแล้วไม่ไม่ได้มาก้าวก่กันไม่ได้มาแย่งกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันของอาหารที่จัดให้โยมโยมก็กินไปเลยของอาหารที่พระฉันพระก็ฉันไปเลยจะได้เสร็จพร้อมๆกันแล้วจะได้มาฟังธรรมต่อคือสมัยก่อนที่วัดป่ามันตาห้องตาท่านจะพูดธรรมหลังจากฉันเสร็จแล้วท่านไม่ได้พูดก่อนท่านให้ ฉันเสร็จญาติโยมฉันแล้วท่านก็จะก็ให้ก็พูดสมัยนั้นคนไม่มากมันก็อะไไม่มีปัญหาแต่สมัยหลังคนมามากแล้วคนเขาก็บางทีต้องรีบกลับบ้านกันท่านก็เลยพูดธรรมะก่อนที่จะฉันใช่ไหมช่วงหลังเนี่ยที่ที่นี่ก็เราก็พูดธรรมะก่อนฉั น, นเวลาญาติโยมมาใส่บาตรวันเสาร์อาทิตย์วันพระ พอใส่อาใส่บา ท, ทออาหารเรียบร้อยแล้วก่อนจะฉันก็พูดธรรมะไปก่อนเพื่อที่พอพูดเสร็จคนที่อยากจะกลับบ้านก็ได้กลับไปคนที่จะอยู่กินอาหารต่อก็กินไปอาหารก็แยกจัดไปอาหารที่มาถวายให้พระพอเหลือจากพระก็เอาไปวางให้โยมกินกันถ้ามีโรงทานก็เรื่อง อ, นนอันนี้ก็เรื่องของโรงทาน ก, ก็กินได้คำถามจากคุณวันนา ข้อที่1ในกรณีที่เราบูชาสิ่งศักดิก์สิทธิ์แล้วเราได้ขอสิ่งนู้นนี้ท่านพระอาจารย์ที่จะบอกได้ไหมคะว่ามันเป็นจริงหรือไม่หรือเป็นเรื่องบังเอิญคะ อ, อ๋อมันเป็นเรื่องบังเอิญนอะถ้าเป็นจริงมันก็ทํางได้ทุกครั้งเลยขอให้ถูกห ว, วยก็ต้องได้ถูกนะขอให้ได้นูน่นได้นี่มันก็ต้องได้มันไม่ได้มันบางทีมันได้มันเป็นเรื่องของความบังเอิญ ข้อที่สองการคุมกำเนิดของสัตว์มันผิดศีลไหมคะไม่ผิดหรอกไม่ได้ฆ่าเ ข, ขาคำถามจากคุณวรัตยาการบวชเป็นคุณแม่ชีกับการเป็นอุบาสิการักษาศีลแปดแบบตั้งใจมากสองแบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะคือเรื่องของแม่ชีนี่เราก็ไม่ได้ศึกษาโดยรายละเอียดว่าเขามีศีล แบบไหนเพราะแม่ชีบางแห่งเขาเอาเสียงของพระมาม า, มาปฏิบัติด้วยหรือบางทีเข้าบางข้อของภิกษุณีมาปฏิบัติด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อันนี้ต้องไปศึกษาจาก เ, าเขามีสถาบันแม่ชีแห่งประเทศไทยเนี่ยลองเข้าไปเสิร์ชดูใน Google ดูก็ได้ว่าเขามีข้อบังคับการปฏิบัติของแม่ชี ที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรว่าเขาถือข้อเสขิยะหรือเปล่าเสขิยะก็มี75หข้อด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องการเช่นเวลาแม่ชีก็บางข้อเขาก็ปฏิบัติเหมือนพระเช่นไม่อยู่สองต่อสองกับผู้ชา ย, ยาไม่ไม่พูดเดี้ยวพาราศีกันไม่แตะเนื่อต้องตัวกัน ซึ่งถ้าถือศีลแปดนี่มันไม่ได้ห้ามเท่านี้ศีลแปดนี่ไม่ได้ห้ามจะแตะเนื้อต้องตัวกันก็ได้เขาเพียงแต่ห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกันอรรมจาริยาเวรมณีคือการไม่ร่วมหลับนอนกันแต่จะอยู่กันสองต่อสองจะจับเนื้อต้องตัวกันก็มันมันก็ไม่ผิดศีลของศีลแปดแต่มันถ้าเป็นของแม่ชีหรือของภิกษุณีนี่มันจะห้ามของพระนี่จะห้าม นี่จะอยู่สองต่อสองคุยกับคุยกับสีกาสองต่อสองไม่ได้นะต้องมีผู้อื่นอยู่เป็นสักขีพยานจะได้รู้ว่าไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวพาราสีกันไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวกันเวลาให้ของก็ต้องเอาผ้ารับถ้าเป็นผู้หญิง แม่ชีที่เขาเข่งก็เวลาคขาให้ของเขาเขาก็เอาผ้ารับเหมือนกันเขาก็ไม่รับกับมือหรือให้วางไว้แล้วเขาค่อยหยิบเขาไม่เขาไม่หยิบเขากลัวเดี๋ยวจะไปแตะเนื้อต้องตัวกันเดี๋ยวมืออาจจะพลาดไปโดนกันนี่เราก็เลยไม่รู้ว่าแม่ชีที่เป็นแม่ชีจริงๆนี่เขาถือเข่งขนาดไหนแเท่าที่รู้ถ้าไปอยู่ตามสํานักปฏิบัติของครูบาอาจารย์นี่เขาจะเข่งกันนะ เาจะปฏิบัติคล้ายของพระกันแต่อาจจะไม่ครบทุกข้อเหมือนกับของพระก็มีข้อที่ใช้ใช้ร่วมกันได้ถ้าอยากจะรู้ว่าแม่ชีของสถาบันแมชีก็ในเมืองไทยนี้ก็มีสถาบันแมชีนี่ก็ลองเข้าไปดูในดูในเว็บไซต์เขาก็ได้เขาคงจะมีรายละเอียดต่างๆก็ขึ้นอยู่กับเราเพราะว่า การบวชชีนี่ก็มีแบบสองแบบแบบเป็นทางการก็ไปบวชตามกฎระเบียบของของสถาบันแม่ชีหรือบวชกันแบบตามตามใจฉันก็โกนหัวก็นุ่งขาวไปอยู่คนบางคนเ็านุ่งขาวห่มขาวโกนสีแสดแต่ก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกขับรถไปทขับรถไปจ่ายกับข้องกับข้าวซื้อข้าวซื้อของ อันนี้ก็เป็นแบบพวกอุบาสิกามากกว่าคือเขาถือศีลแปดแต่เขาไม่ได้ถือศีลที่ละเอียดกว่า น, นั้นคําถามจากคุณกัตฝึกนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่เวลาเดินเรารู้สึกไม่ค่อยสงบอาจเพราะเราลืมตาไหม่คะส่วนเวลานั่งรู้สึกตัวจะเอียงไปเอียงมาต้องปรับอย่างไรคะ ก็อย่าไปสนใจเวลาเรานั่งสมาธิแล้วอย่าไปให้ความสนใจกับความรู้สึกเหล่านั้นให้เราสนใจอยู่กับพุโทโธพุโทโธเพียงอย่างเดียวแล้วความรู้สึกเหล่านั้นมันก็จะหายไปเราสร้างความรู้สึกเหล่านั้นขึ้นมาเองคิดไปเองร่างกายมันก็อยู่ของมันตามปกติเองแต่เราคิดว่ากำลังเอ็นไปทางนี้เอ็ไปทางนั้นมันก็จะมากังวลแล้วก็จะมาขยับอยู่นะขยับไปขยับมาเลยไม่ได้นั่งสมาธินั่งขยับร่างกาย เวลาเรานั่งสมาธิเราก่อนจะนั่งเราก็ตั้งตัวให้ตรงให้รู้ว่าตอนนี้ร่างกายดีแล้วพอเราหลับตาเราพุโทโธแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจกับมันแอย่าไปมันจะมาคิดยังไงก็อย่าไปเชื่อมันให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปแล้วใจก็จะสงบได้คาถามจากคุณกรลวิท ผมเพิ่งเริ่มนั่งสมาธิช่ ว, ชวงครึ่งชั่วโมงแรกรู้สึกเบาสบายภาวนาพุทโธแต่หลังจากนั้นจะเริ่มปวดครับอาการปวดชัดมากผมควรภาวนาอย่างไรครับยิ่งพุทโธยิ่งปวดความจริงมันไม่ได้ปวดเพราะพุทโธหรอกมันปวดเพราะมันมันอยากจะลุกมันและยิ่งปวดใหญ่ถ้าจะทําให้มันไม่ปวดมากก็ให้เราพุทโธต่อไปให้เกาะติดอยู่กับพุทโธอย่าไปคิดถึงความเจ็บ ถ้าไม่ไปคิดถึงความเจ็บอยู่กับพุโทโธแล้วเดี๋ยวความเจ็บมันก็จะเบาลงแล้วมันจะไม่มาลบกวนใจแต่ต้องขยันพุโทโธอย่าหยุดพุดโทโธถึงแม้มันจะคิดว่าจะขาดใจตายเพราะพุโทโธไม่ไหวก็ต้องพุโทโธไปให้มันขาดใจตายไปกับพุโทโธถ้าทําได้แล้วใจมันจะสงบแล้วมันจะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายคําถามจากคุณปัดคุณพ่อเพิ่งเสียชีวิตได้สามวัน เราเป็นลูกทําทานภาวนาสมาธิแผ่กุศลให้พ่อจะได้ไปพบภูมิที่ดีเปล่าคะไม่หรอกพบภูมิของเขาเข้าได้ของเขาไปแล้วเราเพียงแต่ช่วยส่งบุญไปเสริมเท่านั้นเองถ้าเขาไปเป็นพบขอทานเขาก็จะได้มีมีทานจากเราไปช่วยให้เขาอยู่ดีกินดีขึ้นหน่อยแต่เราไม่เปลี่ยนพบภูมิของเขาไม่ได้คําถามจากคุณเนตตี้ จิตเห็นจิตเป็นอย่างไรคะก็จิตก็คือเราเนี่ยตัวรู้เห็นเห็นเห็นตัวเราก็เหมือนเรามองกระจกเนี่ยเวลาเรามองกระจกนี่เราเห็นตัวเราอะถ้าเราไม่มีกระจกเราก็มองไม่เห็นใช่ไถ้าเราอยากจะจิตเห็นจิตจิตก็ต้องทำสมาธิพอจิตสงบจิตก็จะเห็นตัวรู้ตัวรู้ก็คือจิตนะดงั้นต้องทำสมาธิแล้วก็จะเห็นจิต แบบที่เขาเห็นกันนี้ไม่ใช่เห็นจิตเห็นความคิดเห็นเงาของจิตเวลาเรามองดูจิตแล้วเราเห็นว่ากําลังคิดนู่นคิดนี่นี่มันไม่ใช่ตัวจิตมันเป็นเงาของจิตเป็นอาการของจิตเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งถ้าจะเห็นจิตต้องตามใจให้รวมเป็นหนึ่งแล้วก็จะเห็นตัวรู้นตัวรู้เนี่ยคือตัวจิตที่แท้จริงคําถามจากทาง youtube นะครับจากคุณอีซีอุ๋ยนะครับ ถ้าผู้ที่ต้องการจะบวชแต่ยังต้องเลี้ยงดูคุณแม่และยาตต้องมีหน้าที่หาเงินมาใช้จ่ายถ้าไปบวชแล้วคุณแม่จะลำบากครอบครัวไม่มีเงินใช้เลยสมควรบวชหรือไม่หรือทำงานไปปกติไปก่อนไม่ต้องบวชก็ตามใจนะพีชิวิตของคุณคุณจะเลือกทางไหนก็ทำไปคุณจะบวชก็ได้คุณจะไม่บวชก็ได้แล้วแต่ว่าคุณให้ความสาคัญกับอะไรเป็นหลัก ถ้าคิดว่าให้การเลี้ยงดูคนอื่นเป็นหลักก็บวชไม่ได้ถ้าคิดว่าเพื่อทําให้ตัวเองหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องไปบวชหมดแล้วค่ะหมดแล้วเลย แ, แต่คำถามจะข้อความครับจะคุณยาญาณิฐานะครับถ้าหากเราจะปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระอริยจะยังไหว้เจ้าที่และเจ้าแม่กวนอิมได้ไหมอ๋อเขาไม่ไหว้แล้วล่ะก็จะรู้ว่ามันเป็นของปองมันเป็นของงมงาย ไไมมมม่่ีีสาระความจรริงออะไอยู่คำถามจากคุณยานิฐาถ้าหากเราไหาวเจ้าที่เจ้าแม่กวนอิมสีนปลาลมาถ้าหากไหวเจ้าที่เจ้าแม่กวนอิมจะถือว่าเป็นสีนปาลมาหรือไม่คะเออมันก็เป็นหนึ่งในสีลพัตตปลาลมาเนี่ย คือไหว้ก็เพื่อที่จะบรรเทาความทุกข์ความความเดือดร้อนของเราคนที่บรรลุธรรมจะเห็นว่าความทุกข์ความเดือดร้อนของเราเกิดจากกิเลสของเราถ้าไม่อยากจะเดือดร้อนไม่มีความทุกข์เดือดร้อนใจก็ดับกิเลสเท่านั้นเองพอดับกิเลสแล้วใจก็ไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องไปไหว้ใครไม่ต้องไปทําพิธีกรรมอะไรต่างๆที่ทําพิธีกรรมกันเพราะไม่สบายใจ ก็กลัวจะเสียสิ่งนั้นกลัวจะเสียสิ่งนี้แต่คนที่มีธรรมจะเห็นว่าต้องเสียหมดทุกอย่างไม่มีใครไม่เสียก็ไม่รู้จะไปไหว้ทำไมไหว้มันก็ไม่มันก็ไม่ได้ทำให้ไม่เสียมันก็เสียอยู่ดีไหว้ไปแล้วก็ทำให้แก่อยู่ดีให้เจ็บไข้ได้ป่วยดีให้ตายอยู่ดีแล้วไปไวหว้มันเหนื่อยทาไมพวกที่ไหว้ก็คิดว่าไหว้แล้วจะได้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันไงก็ไปไหว้กัน แต่คนที่ก็มีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมก็เห็นว่าทุกอย่างมันแก่เจ็บตายทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติอย่างที่วันนิเทศให้ฟังถ้าเห็นว่ามันเป็นตายรักเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังนะตาก็ไม่ควรจะไปไหว้อะไรให้มันเสียเวลาไหว้ไปมันก็เหมือนเดิมไหว้ไปมันก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมคําถามจากคุณพาดาเมื่อเกิดตากระทบรูปแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบใจจึงไปเห็นกัน การกระทำการที่กลางอกแต่กลับมาอยู่ที่ฐานจิตที่ดั้งจมูกหักแล้วเห็นว่าความรู้สึกนั้นค่อยๆเบาลงและไปรวมอยู่ที่จุดเดียวมันเต้นตุบๆสักพักก็ดับไปทำเช่นนี้ถูกต้องไหมคะถ้ามันดับไปก็ใช้ได้คือแต่ว่า ม, มันดับแบบชั่วคราวดับแบบสติคือเราสติมามาตั้งอยู่ที่ลงเรือตั้งอยู่ที่อื่น ไม่ได้ไปอยู่กับที่เรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายใจพอเราไม่ไปอยู่กับเรื่องที่เราวุ่นวายใจใจเราก็สงบไปแเดี๋ยวเรากลับไปหามันไปเจอมันเข้ามันก็วุ่นวายใจขึ้นมาใหม่ถ้าไม่อยากจะวุ่นวายใจก็ต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอยากให้มันหายไปหรืออยากไปอยากให้มันอยู่หรืออยากให้มันไปเหมือนเวลาฝนตกเนี่ยเราอย่าไปอยากให้มันหยุด ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหยุดมันจะตกไปเท่าไหร่เราก็ไม่เดือดร้อนแต่พอเราไปอยากให้มันหยุดเนี่ยเราก็จะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีแต่เรารู้เวลาฝนตกเนี่ยเรารู้ว่าเราไปอยากไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของต่างๆมันก็เป็นธรรมชาติหมดแต่เราไม่ไปเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติมันก็เลยทําให้เราทุกข์ไปกับมันทั้งนั้นเองคําถามจากคุณกมลรัตน์ โยมสามารถเจริญสติระหว่างวันกับคุตโธแล้วจิตสงบได้แต่อยากเจริญปัญญาควรทำอย่างไรคะก็ต้องเจริญตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้อยู่ในความสงบเวลาออกจากความสงบมาก็ให้สอนให้พยายามมองทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเห็นอะไรก็เห็นว่ามันเดี๋ยวเดียวเห็นคนนี้เห็นรูปนี้ปั๊บเดียวมันก็หายไปล้วได้ยินเสียงนี้ปั๊บมันก็หายไปแล้วมันไม่เที่ยงมันมาแล้วก็ไปมันเกิดมันดับ เอาบางอย่างมันก็เกิดดับช้าหน่อยเช่นคนที่อยู่กับเรานี่บางทีกว่าจะจากเราไปก็หลายปีแต่มันก็ต้องจากอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมองว่ามันมีการจากกันมีการดับเพียงแต่ว่าบางอย่างมันก็เร็วบางอย่างมันก็ช้าแต่ทุกอย่างมันต้องดับแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เวลาเขาจะดับเวลาเขาจะจากเราไปถ้าเราไปอยากให้เขาไม่ดับเราก็จะทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าเราไม่มีความอยากเขาไม่ดับเราก็จะไม่ทุกข์ใจะะหมดแล้วนี่คือปัญญาปัญญาต้องเห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเราอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงอยากให้เขาเที่ยงอยากในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าให้เป็นของเราก็าเลยทุกข์เวลาภรรยาจากกันไปจากเราไปเราก็ทุกข์ละเพราะเราคิดว่าเขาเป็นของเรา ถ้าเป็นของเราก็ต้องไม่จากเราไปทุกอย่างที่เรามีอยู่ต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปเดี๋ยวไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเนี่ยมันดูแค้ว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์กันถ้าไม่ทุกข์ก็แสดงว่าไม่ก็รู้ว่าเป็นธรรมชาติรู้ว่าเขาต้องจากเราไปรู้ว่าเราต้องปล่อยแล้วก็ปล่อยได้มันก็จะไม่ทุกข์ ถ้าปล่อยไม่ได้มันก็จะทุกข์การปล่อยไม่ได้ก็แสดงว่ายังอยากให้เขาอยู่ไม่ยอมให้เขาไปยังต้องหักปล่อยเสียตางแต่ยังไม่ถึงเวลาจะต้องปล่อยอาจไปอยู่คนเดียวอาจไม่อย่าไปใช้ร่างกายอย่าไปยึดติดกับร่างกายอย่าไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขไปนั่งสมาธิแทนเอาความสุขจากการทำใจให้สงบแทน แล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องใช้ร่างกายพอเราไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาร่างกายเขาจะไปเราก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกับคนรับใช้เนี่ยถ้าเราทำอะไรเองในมากได้ทุกอย่างเขาจะไปเขาจะลากลับบ้านก็ปล่อยเขาไปเราก็ไม่เดือดร้อนเราทำได้ทำกับข้าวได้ปอดบ้านถูบ้านได้ซักผ้าเองได้เวลาคนใช้ขอลากลับบ้านเขาไปสิไปก็เห็นว่าอะไรอยู่ก็อยู่ก็เราก็ทาเองได้ไม่อยู่เราก็ทำเองได้ ตอนนี้เราทําเองไม่ได้เราต้องอาศัยร่างกายทําหาความสุขให้กับเราว่าเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายกันอย่างถึงสอนให้นั่งสมาธิกันเพราะเป็นการสร้างความสุขให้กับเราโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วต่อไปพอเรามีความสุขได้โดยไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาร่างกายจะจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์เราพร้อมที่จะให้เขาไปได้ พอเรารู้ว่าเขาต้องไปคำถามจากคุณมักนะครับปีนี้ผมอายุ22แล้วผมเหมือนสับสนกับความคิดของผมมากครับเกี่ยวกับอายุหรือผมคิดมากร <c oughs> ขนาดคำถามมันยังสับสนเลย <c oughs> ไม่รู้จะถามอะไร <c oughs> คำถามจาก y o u t u ู e นะครับจากคุณสิริมานะครับ ตอนเด็กเคยท่องว่ามือนี้ไม่ใช่เราแล้วก็จ้องดูที่มือพร้อมกับท่องไปดูสัพพักก็ตกใจว่านี่แขกับมือนี้ของใครเป็นเพราะอะไรคะก็เพราะเราคิดไปคิดไปมันก็ทาให้เราเห็นไปตามที่เราคิดถ้าคิดตามความจริงมันก็ทาให้เราปล่อยถ้าคิดไป ตรงกันข้าม ก, กับความจริงก็ทําให้เรายึดติดทั้งนี้นนนบางคนถ้าคิดไปตรงกับความจริงเขาก็ปล่อยถ้าเขาคิดว่าเป็นของเขาเขาก็จะยึดบางคนเป็นเป็นคนที่สามารถมองเห็นความจริงได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาสอนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมองเห็นความจริงได้โดยต้องไ ม, ไม่ไม่ต้องมีใครมาสอน<ม>เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเป็นของเราเป็นธรรมชาติ แต่พวกเราไม่เห็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าเห็นเนี่ยเพราเราเห็นว่าเป็นของเราเราก็เลยทุกข์กับร่างกายแต่พระพุทธเจ้าไม่ทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าเห็นร่างกายว่าเป็นของดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนฝนตกแดดออกท่านก็ไม่ไปยึดเนี่ยฝนจะตกก็ปล่อยมันตกเราเราก็ไม่ยึดใช่ไหมฝนตกแดดออกเราก็ปล่อยเขาตกไปแดดออกก็ออกไปเราก็ไม่ทุกข์กับฝนเพราะเราเห็นว่าเขาเป็นธรรมชาติ แต่พอมาร่างกายเรากลับไม่เห็นว่าเป็นธรรมชาติเราเก็กลับมาเห็นว่าเป็นตัวเราของเราเราก็เลยอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเราพอมันไม่เป็นเราก็เลยทุกข์กันหมนแล้วใช่ไหมพระอาจาใยครับอย่างอย่างในหลวงภูมิพลรัชกาลที่เก้าเนี่ยครับท่านมีโครงการต่างๆมากมายหมายความว่าท่านเป็นผู้เริ่มโครงการไว้แล้วเนี่ยโดยโดยเป็นเจตนาดี แล้วคนนี้หมายกาว่าท่านเนี่ยไม่ได้กลับมาสานต่อแต่ว่าโครงการนี้ก็เริ่มต่อโดยที่ท่านดูแลอยู่ต่อเนี่ยในมุมของการแหน่สะสมเนี่ยบุญเติมอยู่ตลอดเวลาไหครับสําหรับองค์ท่าน น, ทาน<ช>ะท่านก็ทําในส่วนของท่านนะหมดแล้วไม่เติมนะไม่เติมคนที่จะมาเติมก็<อ>คนที่มาทําต่อคนที่เพรโครงการนี้บางทีมันต้องมาหางบประมาณมาทำต่อเท่านก็ทําท่านเป็นผู้ดําเนินเริ่มต้นโครงการ ท่านก็ได้บุญส่วนนั้นไปถ้าท่านกับตามขณะที่ท่านมีพระชนชีพยอยู่ท่านก็มาติดตามท่านมีคณะทํางานที่เรียกว่าคอปลล์คณะผู้ติดตามงานโครงการพระราช ด, ดำริต่างๆเขาก็จะมาติดตามดูว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์หรือเปล่าขาดหรืออะไรก็ให้ดําเนินการไปตอนนี้จะไม่รู้ว่าจะมีมีใครมาทําต่อหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับ ผู้ที่จะมาทํมามารับตาแหน่งแทนท่านว่าท่านจะสนใจกับงานเหล่านี้หรือไม่ถ้าไม่สนใจไม่มีใครมาผลักดันมันก็จะอาจจะจบไปคือได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่จะไม่ไม่มีการเสริมต่อซึ่ ง, งบางโครงการก็ทาท่านทำเสร็จแล้วก็หมดไปก็มีคือให้มันทำเสร็จแล้วให้มันอยู่ตัวของมันเองได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมามามาเสริม แต่บางโครงการนี้มันอาจจะต้องมาคอยติดตามมาคอยเสริมอยู่เรื่อยๆ ห, หมายถึงว่าในแง่ของอ่าตัวตัวบุญที่ท่านจะได้รับนะครับอาจารยไม่ว่าท่านจะมาดูแลเองหรือไม่จะท่านเป็นผู้เริ่มไว้เนี่ยท่านก็ได้ไส่วนนนั้ต่อมท่านอัันนน้ท่านทําเสร็จของท่านก็หมดไ ป, ไปอไอจะทําจะาเสริมต่อก็ต้องมาทําเองต่อ เ, ออเมือกานเราเราสร้างวัดเสร็จแล้วเราก็ไปแล้ว วัดนี้ใครจะอยู่ต่อไปนี่ก็ใครจะมามาขยายให้มันใหญ่ขึ้นหรืออะไรนี่มันก็เป็นของเป็นบุญของคนอื่นที่เขาจะมาทําองเราก็ได้บุญจากการที่เราสร้างวัดแต่งบุญเหล่านี้ก็ไม่สําคัญเท่ากับบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญภาวนายิ่งใหญ่กว่ามีประโยชน์มากกว่าเพราะจะเป็นบุญที่ทําให้เราสิ้นสุดการทําบุญทุกชนิดได้ การทำบุญที่แท้จริงก็เพื่อที่ให้เราได้บุญได้หลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อเราหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วการทำบุญก็ไม่มีความจำเป็นต่อไปเช่นพระพุทธเจ้านี่หลังจากทรงตัดสรตวแล้วพระองค์ก็ส่งไม่ต้องทำอะไรก็ได้ทำก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากขึ้นกว่าที่ได้อยู่เรอได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วจะมาทำบุญอีกเท่าไหร่เช่นมาสั่งสอนเผยแผ่ธรรมะให้กับคนมากน้อยเทีางไร บุญที่ท่านได้มันก็ไม่มากกว่าเดิมเพราะว่ามันเต็มแก้วแล้วถ้าน้ามันเต็มแก้วแล้วต่อให้เราเติมเข้าไปอีกเท่าไหร่มันก็ได้น้ำเท่าเดิมน้ำเมื่มันก็จะไหลล้นออกมาแต่ท่านทําด้วยความเมตตาด้วยความสงสารท่านทําเราเห็นว่าคนอื่นได้ไประโยชน์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ท่านก็ทาไปแต่ตัวท่านเองนี่จะทาก็ได้ไม่ทาก็ได้ผลเท่ากัน พระพุทธเจ้าบางรูปท่านก็ไม่สอนใครเรียกว่าปฏิเจกิกับพระพุทธเจ้านี่ท่านหลังจากบรรลุแล้วท่านก็เฉยไม่สอนไม่สั่งใครก็ท่านก็ท่านก็ไม่ได้เมตสียอะไรแต่คนที่เสียก็คือคนที่ยังไม่ได้หลุดพน้นที่เออดพนที่ท่านไม่สอนก็อาจจะไปอยู่กับโลกที่ไม่มีใครสนใจก็ได้ อย่างตอนนี้ไปสอนแถวพัทยาใต้ก็คงไม่มีใครฟังถ้าไปต้ก็ไปอยู่ในยุค ข, ของคนแบบนั้นใช่ไหมของคนกินเหล้าเมายาของคนที่ไม่สนใจธรร ม, มะอชไหมเปิดสถานีธรรมะที่พัทยาเปนไงเรียนได้สามปีไม่รู้คนฟังเท่าไหร่ผมว่าตัวนี้มีประโยชน์กว่าใช้ไข่ไขเออตอนนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าทำไมเป็นทประเจกกับพุทธเจ้า อาจจะไปเกิดในยุคที่คนไม่สนใจทำก็ได้พูดไปก็ไม่มีใครฟังก็เลยไม่ได้สอนไม่ได้คิดว่าท่านไม่อยากจะสอนหรอกแต่ว่ามันไม่มีนักเรียนจะมาเรียนเปิดโรงเรียนแล้วไม่มีเปิดโรงเรียนแล้วไม่มีคนมาเรียนก็ต้องปิดโรงเรียนเลยพุทธศาสนานี่ก็เป็นเหมือนโรงเรียนถ้าเปิดแล้วไม่มีใครมาเรียนพระพุทธเจ้าท่านก็ลองเปิดดูของเราตอนต้นท่านก็ไม่อยากจะเปิดเหมือนกัน ตั้งกลัวเปิดแล้วไม่มีใครมาเรียนตอนหลังมีท้ามหาพรมมาอาราธนาบอกขอคว า, ามเมตตาเปิดโรงเรียนหน่อยเถิดคนที่อยากจะเรียนยังมีอยู่นะเออหลังจากที่ทรงพิจารณาคนก็เห็นว่าเอคนมันเป็นบัวสี่เหล่าเออไอ้พวกที่มืดบอดพวกพัทยาใต้นี่มันก็แต่พวกที่หูตาสว่างที่อยากจะเรียนอยากจะรู้ก็มีอ ท่านก็เลยไปเลือกสอนคนที่อยากจะรู้ก่อนก็ไปสอนพวกนักบวชก่อนพวกที่เป็นนักบวชที่เขาอยากจะรู้เขาอยากจะหลุดพ้นกันก็เลยไปสอนพระปัญจวคีย ก, ก่อนพอสอนพระปัญจวคียแล้วเขาก็ติดใจสมัครเรียนสมัครมาช่วยสอนต่อท่านก็เลยไปสอนตามสำนักต่างๆพวกพวกที่เขาลัดนับถือลัทธิต่างๆเขาหลงผิดว่าจะทําให้เ้าหลุดพ้น พอมาสอนพวกนี้เขามีปัญญามีกาลังที่สามารถรับปัญญาของพระทเจ้าได้เขาก็บรรลุ ก, กันพร้อมกันเลยแสดงทำทีหนึ่งบรรลุทั้งสํานักเลยห้าร้อยคนเลยมีสํานักหนึ่งเขาบูชาไฟพระเจ้าก็เลยไปสอนว่าไฟนี่มันไอตัวที่เป็นไฟก็คือกิเลสเ่นานี้ยแหละไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเนี่ยถ้าอยากจะให้ ใจเราสงบใจเราเย็นเราก็ต้องดับไฟพวกนี้ดับราคะโทสะโมหะพอเขาฟังก็เข้าใจเขาก็ดับราคะโทสะโมหะได้เขาก็หลุดพ้นได้ทีเดียวพร้อมกันเลย500คนอันนี้ก็เลยทําให้โรงเรียนนี้ขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมีคนสนใจมากขึ้นมาเรียนมากขึ้นแล้วก็มีอาจารย์มาช่วยสอนพระอาหารหันต์นี่ก็เป็นผู้มาเผยแผ่ธรรมะให้กับพระพุทธเจ้าอีกเทวาหนึ่ง อุตจ้าก็บอกพระหลานว่าให้กระจายไปอย่าไปด้วยกันให้ไปคนละทิศคนละทางไปเปิดสาขากันต่างๆสาขากันไปเปิดอุดรเมื่ไปเปิดน้อง เ, อเชียงใหม่ไปเปิดเชียงรายอย่าไปเปิดกระจกอยู่ที่กรุงเทพที่เดียวให้ไปกระจายไปคนก็เลยได้เรียนรู้ได้ได้บวชกันเยอะขึ้นเบืเยอะขึ้นจนทั่งผ้าจีวรไม่พอใช้ไหมไปเก็บผ้าตามป่าช้ามา มาทำเป็นผ้าจีวรจนไม่มีพอใช้องค์ท่านเจ้าเลยต้องบอกให้ทอดกรถิ่นกันถวายผ้ากันเมื่อก่อนนี้มีแต่ใสยบาตรอย่างเดียวไม่ได้ถวายผ้าพราะคิดว่าผ้าพระต้องหาผ้าเองก็เลยไม่มีใครถวายพราะธรรมเนียมของผ้าเมื่อก่อนแรกๆนี้หาผ้ากันเองไปหาผ้าที่เขาพระใช้ใช้เป็นผ้าห่อศพไปตามป่าช้าก็ถึงเรียกว่าผ้าป่าเนยผ้าบางสกุลก็เรียกว่าผ้าป่า อี่นี้แล้วก็มาบางสกุลที่น่าหีบศพกันแทนก็เป็นธรรมเนียมของพระยุคแรกๆหาผ้าหาผ้ามาตัดเย็บกันเองต่อมามันบวชกันเยอะผ้ามันไม่พอผ้าขาดแคลนพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าให้ให้ทอดกระถินกันจะได้บุญมากอันนี้สงมากเพราะเป็นเป็นของที่ขาดแคลนหายากก็เลยเริ่มมีการถอดผ้ า, ากถินกันมา นี่ก็เป็นที่มาของโรงเรียนพระพุทธศาสนาถ้าเปิดแล้วไม่มีนักเรียนก็จบพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นพระปเจกพุทธเจ้าไปถ้าเปิดแล้วมามีคนมาเรียนก็เป็นพระอารามตัดสัมมาสามัาสามพุทธเจ้ามีคนรู้จักว่าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเป็นพระปเจกพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่มีใครรู้จักว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีใครมาเรียนรู้ความรู้จักท่านก็เลยไม่รู้ว่าท่านมีความรู้มากน้อยเพียงไร ก็เลยคิดว่าท่านเปงคนธรรมดาคนหนึ่งทบทมามีเข้าวไหมวะมีมาค่ะคำถามจากคุณอานิจจังถ้าเรานั่งดูลมพร้อมกับบริกรรมพุโทโธกําหนดที่จมูกพอลมหมดแต่เรายังบริกรรมอยู่เราจะกําหนดลมตรงไหนคะก็อย่าไปกําหนดลมเอาพุโทโธอย่างเดียวอยู่กับพุโทโธไปเป้าหมายก็อย่าให้คิดอะไร ถ้ายัางคิดได้อยู่ก็ต้องพูดโทไปเรื่อยๆจนกล่ามันจะตกหลุมตกบอ่อแล้วมันหยุดคิดเองตอนนั้นก็ไม่ต้องพูดโทรตอนนั้นก็จะนิ่งเฉยสงบมีความสุขก็ปล่อยมันสงบไปใช้สติประคับประคองไปให้รู้ให้รู้ว่ามันสงบให้รู้ให้มันไม่เห็นคิดมันจะคิดก็หยุดมันคิดด้วยสติไปมันก็จะอยู่อย่างนั้นไปได้นานๆคาถามจากคุณว่าน ในการนั่งภาวนาฝึกดูร่างกายหายใจตามธรรมชาติสลับกับความรู้สึกภายในร่างกายตามความเคยชินที่เคยฝึกจะกลายเป็นสองงานจริงๆควรทำอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะใช่ควรจะดูลมอย่างเดียวไปอย่าไปสนใจกับความรู้สึกต่างๆคำถามจากคุณหนูการปฏิบัติตั้งแต่ทานศีล ส, สติสมาธิ จะต้องมีปัญญาควบคู่กันไปถึงจะได้ผลดีถึงแม้จะเป็นเพียงปัญญาแค่ขั้นที่1และ2เท่านั้นหนูเข้าใจถูกไหมคะพอถึงขั้นวิปัสนาถึงจะได้ปัญญาขั้นที่3ก็ปัญญามันก็อย่างที่บอกทําอะไรเราก็ต้องรู้ว่าเรากําลังทําอะไรมันก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งเช่นรักษาศีลเราก็ต้องรู้ว่าเรากําลังรักษาศีลอยู่หรือเปล่าใชไ่ไม่ใช่เพราะสมาทานศีลหกลับไปก็โกหกกันกลับไปก็กินเหล้ากัน อย่างนี้ก็แสดงว่ารักษาศีลโดยไม่มีปัญญามันก็ต้องมีปัญญาทุกระดับแต่มันเป็นปัญญาขั้นต่ำมันเป็นขั้นปัญญาในแต่ละขั้นของมันเวลาทำทานมันก็ต้องใช้ปัญญาว่าจะไปทำที่ไหนดีทำกับพระแบบไหนดีพระแบบไหนไม่ทำมันก็เป็นปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญาเหล่านี้มันไม่ได้พูดถึงปัญญาในศีลสมาธิปัญญาปัญญาในศีลสมาธิปัญญานี้เป็นปัญาปัญญาวิปัสสนา ปัญญาที่เห็นไตรลักเห็นอริยสัจสี่อย่างนี้เรียกว่าปัญญาดังนั้นก็มีปัญญาแบบพื้นฐานปัญญาทั่วไปแล้วก็ปัญญาในระดับวิปัสสนาปัญญาคำถามจากคุณเกศอ่านเรื่องการบรรลุธรรมบรรลุพระโสดาบรรันรรบางที่ก็บอกว่าง่ายแค่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีศีลห้าบริสุทธ มีจิตจับพานิพานเป็นอารมณ์เพียงเท่านี้แต่บางที่ก็บอกว่าไม่ได้ง่ายแบบนั้นอยากจะทราบว่าการบรรลุโสดาบันต้องปฏิบัติอย่างไรคะจะได้จะรู้ได้อย่างไรว่าบรรลุแล้วก็ต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนเช่นไม่สบายไปหาหมอหมอบอกเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะ เตรียมไปจองศาลาได้แล้วก็เฉยๆอจองก็จอง อ, อย่างนี้ก็เป็นโซดาได้แต่ถ้าตื่นเต้นตกใจก็เป็นโซดาไปคำ <c oughs> <c oughs> ถามจากคุณชวนภาวนาจนถึงที่สุดแล้วจิตจะเกิดปัญญาเองหรือว่าต้องพิจารณาและจะเริ่มพิจารณาอย่างไรถึงจะละกิเลสได้ ก็ย well, ัง <Omar>. ต้องพิจารณาร่างกายก่อนต้องพิจารณาร่างกายต้องแก่ต <entreprises> ้องเจ็บต้องตายแล้วก็ต้องไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บของร่างกายก็ก็แสดงว่าบรรลุได้ถ้ายังทุกข์อยู่ก็ยังแสดงว่ายังไม่บรรลุหมดแล้วถ้าการครับมีสอคำถามอ่าครับจะมีอย่ช่วงหนึ่งเลได้มีโอกาสปฏิบัติครับอ่ามีมีอยู่เหตุอยู่สองเหตครับ ก็คือตอนที่เรานั่งอยู่แล้วแล้วพอจิตเรานิ่งครับก็คือเห็นเห็นเหมือนตาที่เราเห็นเลยอยู่ข้างหน้าเรา <Hey. S 2> ก็ทําเรื่องอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยครัม hmm. หรือตอนที่เรานอนหลับแล้วฝัน hmm. ก็เลี้ยวสุกแบบที่เราไม่เคยสุกมาก่อนเหมือนกับฝันเนี้ยเราตัวเราเนี้ยไปจริงจอิงนะฮะอย่างเงี้ยผมไม่ไแน่ใจว่ามัน นนออที่ว่าเห็นเห็นอะไรอะอย่างเช่นอ่าที่หน้าเห็นคนก็าามามีทําอะไรกันเนี้ยเป็นพลังแต่ว่ า, าเห็นด้วยตานะไม่ไม่ได้แบบเหมืมมมมอมนเห็นด้วยตาไม่ได้เราไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่ใช้เป็นสมาธิใอญ่อถ้าเป็นสมาธิมันจะไม่เห็นอะไรมันจะว่ า, จวาอะจะเห็นแต่ตัวรู้ตัวเราตัวที่กําลังรู้อยู่เห็นแต่ตัวรู้สักแต่ว่ารู้ เห็นแบบนี้มันเป็นเห็นแบบที่มันไม่ได้เป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธิก็อาจจะเรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิเช่นไปเห็นนิมิตอะไรต่างๆแล้วอย่างกรณีตอนช่วงก่อนผมเคยบัติตามประเปีนี่ครับแต่ว่ามวดไม่กี่วันวดแค่ประมาณสิบเอ็ดวันแต่มีวันหนึ่งตอนตอนนั้นที่เป็นพระจำวัดอยู่ช่วงกลางวันนะครับผมนั่งเองหลังแล้วเห็นมีนกบินเข้าที่ต้นไม้ บินเข้าบินออกแต่ว่าก็ไม่ได้บริกรรมอะไรแต่ว่าเราก็มองแต่มีความรู้สึกว่าเราออกไปที่นกตัวนั้นได้โดยที่เรานอนเราเกหลังอยู่ครับอันนี้ก็เป็นนิมิตทีเเบบต่เราเห็นแบบหลับต า, ตาเลยเห็นแบบลืมตาลืมตาได้เห็นถึงที่เราเห็นเป็น น, จนกจริงๆหรือเปล่านกจริงๆบินเข้าบินออกแต่ว่าเหมือนกับพอไปถึงนกตัวนั้นแล้วก็ตื่นเต้นตื่ น, นก็รู้เลยว่า ที่ถถถออกจากล่างเหรออะไรเงี้ยแล้วเราก็ตื่นเต้นพอ ต, ต, ต, ตื่นเต้มเสร็จก็เหมือนกับเข้าไปใไนอุโมงค์อะไรบางอย่างเงี้ยอ่ามันไม่ได้ออกจากล่างหรอกจิตมันไม่เคยอยู่ในล่างอยู่แล้วจิตมันก็ไปส่งไปอยู่ที่นกแทนที่จะส่งมาอยู่ที่ร่างกายเหมือนเราใช้ไฟฉายแล้วก็ตดจิตเราจะมาฉายอยู่ที่ร่างกายเราแต่พอมันมีเรื่องอะไรมันก็ไปฉายอยู่อีกเรื่องหนึ่งเท่น้แล้วก็อาช่วงสิบปีมานี้ครับอาจารย์ผม เรียกว่าทำกินได้ขึ้นดีกว่าไปลงทุนอะไรก็เมหมือนจะดีลงเงินลงแรงแล้วก็ถ่ายที่สุดกลมแบบนี้มาตลอดถึงปัจจุบันนะครับ ม, มันมีวิธีแก้ไหมมันก็อยู่ที่มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันเราก็ต้องไปดูว่ามันปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนเวลาเราทำนี่เราทำแบบรอบครอบหรือเปล่าคิดว่างานที่เราทา มันเป็นงานที่มันจะทำให้เกิดรายได้เกิดผลสำเร็จหรือเปล่าถ้าเราไม่วิเคราะห์ก่อนแล้วเราไปทำมันก็อาจจะไม่สำเร็จหรือว่าถ้าเราวิเคราะห์แล้วมันน่าจะสำเร็จแต่ไม่สำเร็จมันก็ต้องอาจจะเป็นเหตุมีปัจจัยอย่างอื่นที่ทำให้ไม่สำเร็จแล้มันเป็นเรื่องของเหตุของผลที่เราจะต้องไปวิเคราะห์ดูเพราะว่าแต่ละครั้งที่จะเริ่มทาเนี่ยคือ มันคิดแล้วมันไม่มีทางจะล้มครับแต่พอทำไปจนถึงจุดหนึ่งมันมีเหตุที่แบบที่เราข้ามไม่ถึงข้ามไม่ถึงแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับอาจารย์ก็แสดงว่าเราเราวิเคราะห์ไม่ครบถ้วนบริบูรณยเรามองข้ามไปเหตุบางอย่างปัจจัยเสี่ยงบางอย่างเราไม่เห็นยังงั้นก็ทำแบบง่ายๆเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ย แดี๋ยนี้ก็เดี๋ยธนาคารเจ๊งเองก็ช่วยไม่ได้แล้วก็ทําอะไรง่ายๆขายขายลอตเตอรี่ไปมันได้แน่ๆกว่าข อ, อพรระจัหรือเปล่าเลือไปเลือกไปสวั ง, งานเป็นลูกจ้างเขามันก็ได้เงินเดือนแน่ๆอยู่แล้วนี่มันไม่ได้อยู่ที่พรถ้ามันอยู่ที่พรก็ทุกคนไม่ต้องทําอะไรมาขอพรย่างหรือราอาจจะมองไปทางธรรมก็ว่ามันเป็นวิบากของเราก็แล้วกัน ชาต น, นี้คงจะไม่มีทางที่จะทําอะไรขึ้นมีทางเดียวต้องบวชเท่านั <royalty> <meter> ้นเนี่ยแล้วเราไม่คิดอย่างนี้บ้างอ่ะถ้าไม่ลองบวชดูบ้างอาจจะสําเร็จทางนี้ก็ได้ก็อลาเนีคลับลูกเมียบางคนบางคนทําอะไรไม่ขึ้นนะแต่ถ้าพอไปบวชปั๊บไฟได้เลยเนี่ยเพราะว่าใจเขาอาจจะคิดไม่ได้คิดในทางโลกคิดแบบเอากํำนงเอากําไรอะไร คิดมีแต่จะให้ทำอะไรใครมาขอเดือดร้อนก็ให้แตกแถมแจกฟรีแถมฟรีอะไรไปช่วยเขาว่าไม่คิดเงินทองเขาทำไปมันก็เจ๊งทุกทีถ้าคนอย่างนี้ไปทาไปบวช ด, ดีกว่าถ้าคนใจบุญอย่าไปทำธุรกิจเลยทำแล้วไม่รวยหรอก <c oughs> <c oughs> เราใจบุญหรือเปล่า <c oughs> มีอีกไหมมีม่อีกึงคำคบเอ่ <c oughs> เอาคำสามสุดท้ายแล้วกันนะเดี๋ยวไม่ญาติโยมมาจาอดรอถวายขององีกคําถามจากคุณหนูถ้ามีคนมาบอกบุญเราแต่เราแต่มาจากที่เราไม่ได้มีความนับถือเลยแต่เราให้โดยขัดไม่ได้เราจะได้บุญแค่ไหนคะสมมุติว่าทําไปหนึ่งอยบาทจะเหลือบุญให้เราสักกี่บาทคะแล้วถ้าเราปฏิเสธการให้จะเป็นการสมควนไหมคะไม่หรอกทำร้อยก็ได้ร้อยอยู่ถึงแม้จะเต็มใจไม่เต็มใจ เราก็สละไปเราก็สละเงินร้อยไปก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเราเต็มใจอาจจะทำมากกว่านั้นทันทีทันทีทำร้อยอาจจะทำห้าร้อยก็จะได้มากกว่าตรงนั้นแต่ถ้าเราทำไปเราก็ได้หมดแล้วใช่ั้มก็พอสมควรแก่เวลานะก็ขอให้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ